กิดการส่งผนข้างกันจะทำองไรทำดีหรือไรพนนั้นคือกันแม้ดูแระดาวจะไม่เปล่าแสงและวันนี้จะอ่อนแรงดูแลทำดี ว่าสิ่งทเจอม่ไม่นให้ยิสู้อดทนมนานเรื่องร้ายจะผ่านไปี ท, ที่เห็นอยู่ยไว่าทไมว่าเพราะ